นั่งตทมธรรมาสบายสบายไม่ต้องประนมมือได้ไม่เสียฟังของรพนั่งสำคัญที่รับสาจิตในขณะที่ฟังภาวนาทำความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งไปสถานที่อื่นกระแสงธรรมที่ท่านแสดงไปจะเข้าไปสัมผัสความรู้ของเราที่ที่อยู่กับตัวแล้วชัดถ้อยชัดคำ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 ความจดจำที่จะนำไปใช้ในการต่อไปนั้นส่วนมากก็จะติดข้างอยู่ภายในใจของเราหลังจากการฟังแล้วแต่ถ้าจะตั้งใจจดจำี่จริงๆผลประโยชน์ที่จะพึนได้รับในขณะที่ฟังคือความสงบเยืยกใจก็จะไม่ค่อยปรากฏเพราะฉะนั้นควรจะรับสนใจต่อผลประโยชน์ในในส่วนนี้ก่อน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 ใครก็อยากคบค้าสมาคมไม่มีใครลังเกียจเกี่ยวกับต้นดอกไม้ทิ่นมีที่สวยงามและมีกลิ่นหอมด้วยทีนี้รูปร่างกายตัวของเราไม่มีใครสามารถจะตกแต่งได้นอกจากกรรมที่ตกแต่งให้เป็นขึ้นมาดังเราท่านๆนทั้งหลายนี้เท่านั้ น, น, น, น, น, นไม่มีอย่างอื่นแต่การตกแต่งด้วยทางศีลธรรมนี้เป็นสิ่งที่เราพอทาได้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 เป็นการกดทวงหรือกีดกั้นความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองนอกจากเป็นการส่งเสริมและรักษาโดยถ่ยเดียวเท่านั้นด้วยเหตุ น, นี้าศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุเทธเจ้าจึงไม่ขัดกับการกับสมัยขัดกับหมู่ชนในกลุ่มใดทั้งหมดเพราะเป็นแนวทางที่เหมาะทางความสุขความเจริญ ให้แก่มนุษย์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีที่จะเป็นการกดทวงความเจริญของโลกด้วยอาวาตข้อใดผู้ที่เข้าใจว่าศาสนาเป็นการกดทวงความเจริญของโลกนั้นผู้นั้นคือผู้กดทวงความเจริญของโลกนั่นเองเพราะไม่ทราบความจริงอันแท้จริงของศาสนาซึ่งออกมาจากท่านผู้ทำโลกให้เจริญ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 จะเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกได้อย่างไรเมื่อเป็นเครื่องสนับสนุนโลกและโลกทั้งสามยังมีความสนใจต่ออัตตธรรมคารวะาหว่าพระพุทธเจ้าโดยลําดับมาตามหลักธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่าศรัทธาเทวมนุษย์สาหนังนะพระพุทธเจ้าเป็นศาสตราเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเคยสวดทุกวันไม่ใช่หรือว่าอิติเดโสภคะวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธ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 อยู่ภ า, ายในจิตใจเป็นอันว่าใจของเรามีหลักอยู่ตลอดกาลนี่คือผู้ผู้มีหลักคือมีหลักทาอยู่ภ า, ายในใจร่างกายจะสลายไปก็สลายไปแต่คุณธรรมที่มีประจําใจเพราะความมืกยึดมั่นอยู่เสมอนี้จะไม่ปราศจากจิตใจนี้เลยสาระคุณอันนี้แหละที่ยังสัตว์โลกใหะเกิดในสถานที่ดีคติที่งามไม่ใช่สิ่งอื่นใดที่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 ก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระสงฆ์สาวกที่บริสุทธิธ์ดุพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกลายเป็นพระสงฆ์อันวิเศษด้วยกันเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธังธรรมังสังทา ง, ทาทางทาทาสนังกามทนี้จึงเป็นคู่ควรอย่างยิ่งสําหรับใจของเราไม่ได้ตำต้อยน้อยหน้าว่าตนได้ยึดถือสาร ะ, ะอันไม่ดีมาเป็นเครื่องพึ่งพิงคือเป็นสิ่งที่จอมปองอย่างนี้ไม่มีในจิตใจเพราะธรรมชาตินั้นเป็นของแท้ของจริง ถ้าจะพูดเปอร์เซนต์เหมือนยังสมัยปัจจุบันนี้ก็ร้อยทั้งร้อยไม่มีบิ่เนเต็มไปด้วยคุณสมบัติทั้งร้อยเปอร์เซนเปอร์เซนต์นั่นแหละแล้วอันใดที่จะเต็มน้อยเปอร์เซนเหมือนอย่างคุณธรรมนี้ในโลกนี้เราหาไปเจอที่ไหนมั่งไม่มีไปเจอเข้าด้วยความดีใจสักคู่หนึ่งก็ไปเจออาความเสียใจในขณะต่อมานั้นเป็นลําดับําดับไปเจอความรักเข้าก็ไปเจอความเปรียดความชังขึ้นมาเนี่ยไปเจอ ความชอบไปเจออะไรเข้ามาดีใจกับเสียใจก็ขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นเป็นของไม่แน่นอนในขณะนี้ก็ทำให้ดีใจต่อไปในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดความเสียใจจึงหาหลักหาเกณฑ์หาที่ไวเนื้อไวใจไม่ได้ไม่เหมือนคุณธรรมคือศาสนธรรมที่ผู้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามแล้วจนกายเป็นคุณสมบัติขึ้นภารจิตใจแล้วเป็นสมบัติภายในอันนี้เป็นหลักตายตัว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 ไปโดยลำหนักลำหนักไม่มีที่สิุ้ ด, ดในการต่อไปก็ยังมีจะมีพระพุทธเจ้าสิพระองค์ที่เรียกว่าอะไรอ น, นาคาตะของพระพุทธเจ้าสิพระองค์มันก็นจะสืบต่อกันไปเรื่อยๆและยังจะมีต่อไปเรื่อยๆเช่นนี้นี่คือความจริงค้อเที่ยงกันไปเรื่อยๆเช่นนี้องค์ใดที่มาตรัดสรุปจัสรุปแต่ธรรมของจริงธรรมของจริงนี้ลบไม่สูญ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 ไม่เป็นของแน่นอนสิ่งที่แน่นอนก็คือสุขคือทุกที่เรียกว่าบุญและบาปอันเกิดขึ้นจากการกระทําของสัตว์โลกนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนหาว่าการกระทํานี้ยังมีอยู่หยาบใดผลจะต้องเป็นไปอยู่นั่นเสมอใครจะว่าสุขมีก็าตามทุกมีก็าตามไม่มีก็าตามนารกมีก็าตามนรกไม่มีก็ตามสวรรค์นิพพานมีหรือไม่มีก็าตามธรรมชาตินั้นก็คือธรรมชาตินั้นอยู่โดยดี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 วัดนําว่าเรามีบุญวาสนานมีบุญญาพิชซมผ่านคนที่มีจํานวนมากไม่เคยได้สัมผัสอัดธรรมจากสาสนาธรรมนี้จะมีจํานวนักเท่าไหร่นับมาเลยเลยแต่เราก็เป็นผู้หนึ่งในจํานวนของผู้ที่ได้นับโอวา่าหรือได้นับถือพระพุทธศาสนานได้พระพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเทจ้าแล้วเราจะว่าเรามีอํานาจวาสนาน้อยได้อย่างไร ต้องมีวาสนาบสมควรที่จะได้รับอัดรับทมถึงได้รับได้นับถือพุทธศาสนาได้ถึงได้นับถือคนที่เขาม่นับถือมีมากมาย ก, กลากองเห็นของจริงเป็นของปลอมเห็นของปลอมเป็นของจริงนี้มีมากที่จะเห็นคของของจริงเป็นของจริงเห็นของปลอมเป็นของปลอมนี้มีจํานวนน้อยเพราะสายตามนุษย์ออกจากใจใจถ้ามืดมนตระการเสียจริงๆแล้ว ถึงกลางวันจะสว่างสวัยมีพระอาทิตย์ตั้งร้อยดวงก็ตามความมืด ม, อมนอมตะกรารอยู่ภายในจิตนั้นจะหาความสว่างไม่ได้เลยความมืดมนนี้แหละเป็นเหตุที่จะปิดบังความดีความชั่วความสูขความทุกข์นโกสวรรค์ทั้งหลายปฏิเสธไปโดยตะการทั้งปวงว่าไม่มีเพราะความตาบอดภายใน จ, จิตใจนั่นเองไม่ใช่ไม่มีเพราะคนดูแล้วไม่เห็นไม่มีส่วนพระพุทธเจ้าอันใดที่ว่ามีพระองค์ก็บอกว่ามีด้วยทรงรู้ทรงเห็นด้วยพยานของพระองค์โดยแท้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 นี่แหละคนรู้คนฉลาดกับคนมืดบอดคนโง่นั้นผิดกันถึงจะมีใจเหมือนกันก็ให้เหมือนกันในเชิงแห่งความฉลาดและความโง่มันผิดกันเช่นนี้เมื่อเป็นฉชนั้นการระบายออกที่ออกมาจากใจก็จะมาเป็นทางวาจาเป็นทางการกระทําก็ตามแล้วก็ต้องผิดกันอยู่โดยดีเพราะจิตซึ่งเป็นผู้บงการเป็นความผิดกันอยู่แล้วี่ท่านสอนทางด้านจิตใจโดยเฉพาะ วิธีทดสอบวิธีสังเกตความวิธีแห่งความคิดของตนภายในพิสูทนงทางด้านจิจตภารนาเป็นหลักใหญ่การภาวนาจึงเป็นเรื่องที่จะทดสอบจิตเรียนให้รู้เรื่องของจิตความคิดความตุ้งของจิตโดยตรงในขณะหนึ 1, ่งหนึ่งจิตจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คิดจิตอยู่ได้ด้วยการคิดการตรงทั้งนั้นไมไ่อยู่ได้ด้วยความนิ่งความสงบถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องบังคับ หรือเป็นเป็นมีทำเป็นเครื่องอบรมให้จิตมีความสงบได้จิตจะหาความสงบไม่ได้มุนตัวเป็นเครียวอยู่ทั้งวันทั้งคืนส่วนมากก็มุนไปทางที่จะผูกมัดนัดตึงตัวเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกับคนก่อไฟมนะันรู้จักก่อแต่จะดับไฟไม่รู้จักวิธีดับนั่นก็ลุกขึ้นื้วยนี่ท่านสอนใน้ภาวนาก็คือให้รู้วิถีของจิตเช่นกํา ห, กหนดนาปาณะสติกําหนดลมหายใจเข้าออกหรือกําหนดพุโทโธเป็นต้น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 มา่อจิตสงบแล้วก็เย็นหนอปรากฏผลคือความเย็นแล้วไอศัพท์าความเชื่อนิยยะคือความภาคเพียรขันติความอดความทนความมุตสาพยายามหากเป็นมาเองเพอเห็นผลแล้วก็มีแต่ดีใจใจที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นอย่างน้อยให้ทรงตัวได้มากกว่านั้นก็ให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจิตใจเมื่อรับการบํารุงในรับการรักษา การชำระสะสารอยู่เสมอย่อมมีความเจริญขึ้นมาเรื่อยๆด้วยความสว่างด้วยความสงบเย็นใจเป็นความถูกความสบายขึ้นภายในใจโดยลาดับนี่นี่เป็นผลแห่งการอบรมแห่งการรักษาจิตเมื่อได้ทำอยู่โดยสม่าเสมอทำไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าเราได้บารุงจิตทั้งเราเรื่อยๆ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 แล้วก็พอประคองตัวงเราได้โดยสม่ำเสมอและเป็นความสุขความจเจริญเรื่อย ไ, ไปหากเรามีความสามารถแก่กล้าได้ิพิจารณาทางสมาธิและปัจจณาก็สามารถทิดแทงทะลุ ป, ปูพงจากที่เด็ดไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันกับพระพเิเจ้าและมหาสมบัติก็จะไม่หาที่ไหนสมบัติอันล้นค่าจะปรากฏขึ้นภายในจิตของเราผู้ชำระเรียบร้อยแล้วนี้เอยไม่ต้องสงสัยจึงขอให้ท่านทั้งหลายนํามาพินิจพิจารณาและรักษาใจของตนให้ดี โดยลำหนับใจนิ้งแสเป็นมหาสมบัติเมื่อมีสินใดจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจที่รักษาเรียบร้อยแล้วจึงขอยุติทำเพียงเท่านี้